อนุปาทิเสสนิ พ, พานคือ น, นิ พ, พานตามความหมายของ น, นิ พ, พานเองแท้ๆล้วนๆไม่เกี่ยวข้องกับขันห้าสัพปาทิเสสนิ พ, พานคือ น, นิ พ, พานตามความหมายในทางปฏิบัติเมื่อสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตประจําวันพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอนุปาทิเสสนิ พ, พานคือ น, นิ พ, พานในความหมายที่พระอรหันต์มีนิ พ, พานเป็นอารมณ์สัพปาทิเสสนิ พ, พาน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 และในมัชิมนิการดีกาอ้างในมังคลัตตทิปณนีกล่าวว่าอปัจจยะปรินิพานเท่ากับอนุปาทิเสสะปรินิพานจึงรวมความเท่ากับพูดว่าอนุปาทิเสสะปรินิพานเท่ากับอนุปาถาปรินิพานและเท่ากับภาวานิพานที่เป็นอสังขตาาธาตุคือนิพานตามความหมายของภาวานิพานเองแท้ๆล้วน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 เช่นภิกษุเราแสดงธรรมมีอนุปาทาปริณิพานเป็นประโยชน์ที่หมายการประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพื่ออนุปาทาปริณิพานเป็นตน้นตามปกติอัตถกถาจะอธิบายว่าอนุปาทาปริณิพานได้แก่อปัจจยะปริณิพานคือภาวะแห่งนิพานที่เป็นอสังกตธา